ทุกคนชอบเธอเขาเมารอมาคอยจะมาคอยพรำเพอ้อเมื่อรักเธอหมดใจฉันต้องย้ำกับตัวเองคอยเตือนกับตัวเองว่าฉันไม่ดี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 ไม่ข อ, อยุ่งเกี่ยวเกินกว่าความหวังดีเพียงแอบรักคนเดียวก็พอเพราะว่าฉันขอเพียงเท่านี้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 ขอให้เธอมองมารักฉันพูดด้วยเวลาจะนานจะช้าฉันยังเป็นอย่างเดิมเพียงแอ บ, บรักไม่ขอจำจอมเพียงแค่ขอมองเธออย่างนี้ก็สุขใจ